กรเจริญพรญาติโยมทุกท่านสาหรับผู้ที่มาใหม่ก็สวัสดีตอนเช้าเมืม่อสักครู่เราก็เพิ่งเสร็จจากการเดินแล้วกว่าเดินภาวนาที่จริงแล้วเนี่ยก็เป็นการเดินนะที่ช่วย ฝึกกายแล้วก็ฝึกใจให้เจริญขพราะภาวนาแรลว่าทำให้เจริญหรือว่าทำให้มากก็ได้เราฝึกกายด้วยการขยืนขยับแล้วเราฝึกใจเพื่อให้รู้จักนิ่ง การเดินเนี่ยนะถ้าเราเดินเป็นเนี่ยฝึกทั้งกายกทั้งใจเอาโยไม่ต้องพลมือก็ได้นะเดี๋ยวได้กลายเป็นเทพไปการเดินมันฝึกทั้งกายฝึกทั้งใจนะฝึกกายให้ขยันอยับฝึกใจให้รู้จักนิ่ง ทำใหกายเนี่ยต้องฝึกด้วยการรุนกระตุนน้นให้เขาขยืนขยับเช่นเดินเช่นวิ่งนะหรือว่ายกน้ำหนักเพราะว่าธรรมชาติของกายเนี่ยมันชอบอยู่นิ่งๆอย่างเมื่อชาเนี่ยหลายค น, นยจะรู้สึกเลยโอ้ยไม่อยากเตืรนเลยไม่อยากลุกขึ้นมาเดินไม่อยากลุกขึ้นมาวิ่ง หรไม่อยากลุกขึ้นมาถี่จักรยานเลยข้ออะไรนะการมันอยากอยู่นิ่งๆการมันอยากจะนอนหรือไม่ก็นั่งเฉยๆใช่ไหมสนใจเนี่ยนละมันชอบเที่ยวชอบเล่นนะมันไม่ชอบอยู่นิ่งๆนะแม้แต่เวลาที่เรานั่งนิ่งๆเนี่ย ตัวนิ่งนะแต่ใจไปไหนใะจไปสรารพัดแม้แต่เวลานอนเนี่ยตัวก็นอนอยู่บนเตียงแต่ใจเนี่ยนะหาเรื่องคิดในรูปของความฝันใช่ั้ยเราฝันได้เอยเอะแยะ เ, เลยโดยเพราะเวลาที่กายมันอยู่นิ่ง กายและใจเนี่ยนะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยมีธรรมชาติที่ตรงข้ามกันเลยมองในแง่นี้แล้วเนี่ยการที่กายและใจมารวมกนันชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกไม่รู้ว่าโยมเพื่อแปลกไหมกายและใจเป็นส่วนผสมที่ประหลาดพิสดารมากเลยเพราะมันตรงข้ามกันแทบจะสิ้นเชิงเลยกายเนี่ยนะมันมีน้ําหนักนะ มันเป็นดุนเป็นก้อนใช่ไหมแต่ใจเนี่ยนะไม่มีน้ำหนักนะไม่กินที่จับปังไม่ได้ทุกอย่างของกายเนี่ยนะมันช่างตังวัดได้หมดเลยแม้แนะต่ลมหายใจแม้กระทั่งกระแสไฟฟ้าในร่างกายแม้นะนะเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ รับรู้ด้วยจมูกเนี่ยอันนี้เราเรียกว่ากายนะภาษาภาษาพาเรียนเราเรียกว่ารู้เอ้ันนี้ช่างตรงวัดได้หมดเลยนะแต่กริยาการกระทาของใจรวมทั้งตัวใจเองเนี่ยช่างตรงวัดไม่ได้ตายเนี่ยอย่าเจตมาบอกมันอยากอยู่นิ่ง ธรรมชาติของมันเนี่ยสนใจตรงข้ามชอบเที่ยวชอบเล่นนะชอบเดินทางนะท่องเที่ยวไม่มีที่สุดการที่จะลุ้นการที่จะกระตุ้นให้กายเนี่ยนะลุกขึ้นมาทำงานนะ หรือว่าเคลื่อนไหวเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามนะหลายคนไม่มีความพยายามโดยความยุคปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยแค่อยู่นิ่งๆเนี่ยก็สามารถจะอยู่รอดได้ ความจำเป็นไม่ได้ดีบังคับให้คนเราเนี่ยต้องออกไปทา ม, มาหากินทำไร่ทำนาแล้วเดี๋ยวนี้งานการหลายอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีบังคับให้เราต้องออกแรงเคลื่อนไหวก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งสบายข้าไปใหญ่เลยนั่ง นั่งดูโทรทัศน์นั่งเล่นคอมพิวเตอร์นั่งเล่นเกมอันนี้เป็นสิ่งที่กายชอบมากเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สามารถจะนั่งทำงานได้ทั้งวันไม่ต้องออกจากบ้านเลยก็ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอรนะ์ถ้าเราปล่อยให้กายเป็นอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นนะนั่งทั้งวันไม่ต้องนอนก็ได้เอาแค่นั่งทั้งวันเนี่ยนะ ก็เกิดโรคเป็นปัถามคนสมัยใหม่มากนะคือว่าโรคอ้วนโรคที่เกี่ยวกับความดันนะโรคหัวใจโรคเบาหวานอันนี้เรียกลมรวมนะมีคนเรียกลมเรียกมว่าโรคขี้เกียจนะมันเป็นโรคที่เกิดจากการที่ผู้คนในปัจจุบันเนี่ยนะไม่ค่อยอยากขยื่นข ย, ยับ เพราะมันเป็นธรรมชาติของกายนะกายมันอยากเป็นอย่างนั้นแต่ใจเนี่ยนะมันชอบทอดแล่นชอบท่องเที่ยวสารพัดแล้วถ้าเราปล่อยให้ใจเป็นอย่างนั้นนะก็จะเกิดปัญหาอีกแบบหนึ่งนะเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลคนสมัยนี้เนี่ยตามใจกาย ก็เลยเป็นโรคอ้วนโรคความดันโรคหัวใจคนสมัยนี้ตามใจจิตนะมันก็เลยเกิดความเครียดเกิด ค, ความวิตกกังวลเกิดความเศร้าแล้วเศรามากก็กลายเป็นซึงเศร้ากระทุ่ถ้าเราปล่อยกายและใจแบบ น, นี้นะไปเรื่อยๆนะอายุก็ไป่ยืนหรือไม่ก็ ถึง ย, ยืนก็อยู่แบบไม่มีคุณภาพอยู่อย่างอมทุกข์บางคนอายุ80แต่ว่าโรคสารพัดถามหาลุกหรือว่าเล่นงานลังควานโรคทางใจก็อย่างที่ว่าโรคทางใจกระสับกระสายหุ่นรกราดกเกลียวนะพี่ตกกังวลนอนไม่หลับ ถ้าเรารักตัวเรารักชีวิตเนี่ยเราต้องต้องฝืนใจมันบ้างกายมันอยากอยู่นิ่งๆใช่ไหมต้องให้มันทำงานนะต้องพากายออกไปเดินออกไปวิ่งว่ายน้ำหรือจะไปยานก็ได้นะหรือว่าแทนที่จะนั่งรถ มอเตอร์ไซค์ไปปากซอยก็เดินเอาส่วนใจเนี่ยนะที่มันชอบเล่นชอบท่องเที่ยวนะสารพัดเนี่ยต้องฝึกให้เขารู้จักนิ่งกายเนี่ยต้องฝึกให้ขยอนขยับนะให้เคลื่อนไหวส่วนใจต้องฝึกให้นิ่งทั้นที่พาเดินเนี่ยนะก็ ถ้เดินไม่เป็นนั่นมันก็ได้แต่ประโยชน์ทางกายคือร่างกายมีสุขภาพดีแข็งแรงเพรากกายได้เพื่อนขยับแต่ใจอาจจะไม่ได้ไเลยเลยเพราะาปล่อยใจฟุง้งซ่านแต่ว่าที่ชวนเดินมือชาวนี้ก็คือฝึกใจให้ใหอยู่ให้อยู่นิ่งๆไม่ใช่บังคับเขาแต่ชวนเขาให้เขาอยู่กับเนื้อกับตัวฝึกใจให้อยู่นิ่งๆด้วยการอยู่กับเนื้อกับตัว รับรู้กายที่เคลื่อนน่อคือกายให้ขยนันขยับด้วยการังกกำลังกายนี่ถือว่ายากแล้วนะโดยเพราะสังคมปัจจุบันเพราะว่าเรารับสบายกันมากขึ้นและเดี๋ยวนี้มันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่แยอะไปหมดมีรถมีโทรศัพท์นะแต่ก่อนจะไปหาใครก็โทรศัพท์แม้แต่จะลงไปข้างล่าง นะหรือขึ้นไปข้างบนเพื่อบอกพ่อแม่ว่าได้เวลากินข้าวบอกลูกว่ากินข้าวได้แล้วเดี๋ยนี้ไม่ต้องแล้วนะโทรศัพท์นะมันไม่ต้องเดินแล้วสมัยเนี้แล้วนะถ้าเราปล่อยใจไปตามไปตามประแสแบบนี้เนี่ยนะมันก็ทําให้ร่างกายเราแย่ลงแล้วคณเดียวกันสิ่งเล่าต่างๆที่มีมากมายเนี่ยก็ทําให้ใจเราเนี่ยพุ่มท่านนะ ไลน์เอ้ยเฟซบุ๊กเอ้ยนะข้อความต่างๆที่ทั่งรูเข้ามาเวลาร้อยสองร้อยสามร้อยหรือเป็นพันข้อความรวมทั้งการงานต่างๆมันทำให้ใจเนี่ยมันอยู่นิ่งไม่เป็นแล้วก็อยู่นิ่งได้ยากเราต้องฝึกนะฝึกการเนี่ยฝึกยากอยู่แล้วนะฝึกใจเนี่ยยิ่งยา ก, กเข้าไปใหญ่แต่ถ้าไม่ทำเนี่ยใจเนี่ย มันจะแหวงกลับมาทําร้ายตัวเองทําให้เป็นโรคความดันนอนไม่หลับเพรเครียดเป็นโรคหัวใจบางทีเส้นเลือดในสมองแตกพราโกรธโกรธจากในปี๊ดเนี่ยนะเส้นสมองแตกเป๊ะเลยนะแล้วที่แตกเพราะอะไรส่วนก็สเสถียรสมารส่สนก็เพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งเป็นปเพราะว่าไม่ก่ออาพลังกายเนี่ยกินอย่างเดียวอ่ะนะแล้วมาสมดรงไปไปเนี่ยก็ทําให้อยู่ อย่างแต่ไม่ได้รบกวนให้เจ็บหรือ ว, ว่าอายุสั้นพูดถึงความแตกต่างระหว่างกายกับใจมันมีเยอะนะน้อกกายเนี่ยนะชอบขี้เกียจส่วนใจเนี่ยชอบทำ ง, งานสารพัดไม่รู้จักหยุดกายเนี่ยนะ ในแง่นหนึ่งเนี่ยมันฉลาดกว่าใจเวลามือหรือนิ้วเราเนี่ยถูกของแหลมน ะ, เ ช, นะเช่นเศษแก้วหรือว่าหนามหรือว่ามือไปถูกเร็วไฟถูกเหล็กที่มันร้อนนะ สิ่งที่กายทำคืออะไรก็คือรีบดึงนิ้วรีบดึงมือออกมาทันทีไม่ต้องสั่งอัตโนมัติขาเราเนี่ยพอเดินไปถูกแก้วนี่นะเพียงแค่สัมผัสเบาๆนี่นะเรารีบยั้งขาทันทีใช่ไหมไม่ต้องสั่งนะกายมันทำของมันเองแต่ใจเนี่ยนะเวลามันโดนไฟโทสะัเผาหลนเนี่ย มันทำไงมันยิ่งนั่งมันยิ่งนั่งแช่จมอยู่กับไฟโทรศัพท์เวลาโกรธใครนะเราก็ยังนึกถึงคนที่เราโกรธอยู่นั่นแหละนึกถึงคําที่เขาว่าเราคำที่เขาด่าเราใครก็คอมเมนต์เราแรงๆในเฟซบุ๊กในไลน์เอาในเฟซบุ๊กเนี่ยเราโกรธแต่เราก็จะกลับมาดูแล้วดูอีกนะ เวลาเราเกลียดใครเนี่ยความเกลียดเนีมันเหมือนกับหนามมันเหมือนกับมันเหมือนกับแก้วหรือมีดที่มันกลียดใจถ้าเป็นกายนะถ้าถูกกลียด่านี้นะมันไม่ยอมมันรีบชักออกเลยแต่ใจเนี่ยมันยิ่งอยากมันยิ่งกลียดแล้วกลีดอีกกลียดตัวเองนึกถึงใครคนที่เราเกลียดแล้วก็จะนึกถึงนั่นแหละยิ่งเกลียดก็ยิ่งนึกแล้วก็ยิ่งวัย อยู่ในห้องเนี่ยคนเป็นร้อยอยีกงแย่ไปหมดเลยนะแต่พอมีคนที่เราโกรธเกลียดโผลเข้ามาในในห้องนั้นเนี่ยสายตาเราจะไปจับไปที่คนนั้นทันทีเลยไวมากเลยนะอีกเกสก้าคนนึงเป็นร้อยไ ม, ไม่สนใจไม่สนใจใครคนนั้นอนะ่ะแล้วก็ยิ่งเหมือนกับว่าเกลีดใจให้ปวดเกีกดใจให้เจ็บมากขึ้น ยิ่งถ้าคนั้นเป็นเอ็นที่ขกับสามีนะเป็นทีาานก่กับแฟนเนี่ยนะโว้ยมันยิ่งตดจอ่อเข้าไยาหญ่เนี่ยจะใส่ใจกับเขาทุกอเรืยอบวอยากจะรู้ว่าเขาพูดอะไรกับคนข้างๆเอย่าง น, นะกายไม่ทำเหมือนนนะกายเนี่ยถ้าเจอของแหลมมันรีชักออกเลยแต่ถ้าใจเนเจอเกลียดใครกรธใครมันยิ่งตดจอ่อ เวลาเศร้าเนี่ยนะเวลาเศร้าใจทํางานเพราะยิ่งจมอยู่ความเศร้านะแทนที่เราจะพยายามทําใจให้เบิกบานนะเวลาเราเศร้านะเรากลับจมอยู่ความเศร้าวเวลาเราเศร้าเนี่ยเราชอบฟังเพลงไงเพลงเศร้าๆใช่ไหมยอีกเศร้าเนี่ยิ่งฟังนะไม่มีใครอยากฟังของเพลงปลื้มความสุขให้ประชาช น, านทําไมอ่นะเวลาเราโกรธเนี่ยนะแทนที่เราจะพยายามดึงจใจไปความโกรธ หรือว่าหาหาอะไรมาบรรเทาความโกรธเหมือนกับไฟที่กําลังลุกเนี่ยเราก็หาน้ํามาดับความโกรธเรากลับกระพือความโกรธที่มันเผาใจมากขึ้นแทนที่จะโกรธเขาเรื่องเดียวก็จะไปขุดเอาความไม่ดีความไม่เลวความเลวเขาเนี่ยในเรื่องอื่นมาด้วยเพื่อจะให้เราโกรธในเรื่องอื่นซ้ําเติมเขาอีกจากโกรธก็กลายเป็นโกรธสองโกรธสาโกรธสี่ไฟที่มันลุกท่วมใจมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นะ แทนที่จะให้อภัยเขายิ่งปฏิเสธเพื่อนมาบอกว่าให้อภัยก็เธออย่าไปถือเ้าเลยมันจะโกรธเพื่อนอนะมาแนะนําแบบเนี้ยแสงว่าไปพุ่งพุ่งมันนั่นเองที่จริงเนี่ยเมื่อความโกรธเนี่ยมันเหมือนอกับว่าเวลาเราโกรธใครในใจเราเป็นแผลนะคนเราเวลาเป็นแผลนะเราต้องเยียวยาไม่ใช่ว่าปฏิเสธ การเยียวยาคุณลองนึกภาพ น, นะสมมติว่าคุณเนี่ยบังเอิญถูกรถชนรถเฉี่ยวกลางถนนไอ้รถคันนั้นเนี่ยมันมันหนีไปละส่วนคุณเนี่ยแขนหกัขหกขาหักหรือว่าทะเลาะ ก, กเปิดนะมีรถพยาบาลมารับคุณคุณบอกฉันไม่ขึ้นรถฉันไม่ไปโรงพยาบาลจนกว่าไอ้นั่นเนี่ยจะมาขอโทษฉันคุณทำหรือว่า กับกายคุณไม่ทํากับใจอะส่วนใหญ่ทําฉันจะไม่อภัยมันจนกว่ามันจะขอโทษฉันหลายคนพูดอย่างนี้ใช่ไหมก็เหมือนกับว่าฉันจะไม่ยอมเยียวยาติดใจจนกว่าไอ้ฉันจะไม่ยอมเยียวยาฉันจะไม่ขึ้นรถเพียร์กันจนกว่าไอเต็งดีคนนั้นเนี่ยมาขอโทษฉันตายไม่ทําแต่ใจทํานะมันคนละคนละคนล ะ, ะคนละคั้วเลยนะ เวลาเราเละใจเราทุกข์นะมันจะยิ่งจมเยู่อความทุกข์นั้นเมื่อความทุกข์นั้นจะมาจากจะเป็นเพราะความโกรธความเศร้าความเสียใจยิ่งเศร้ายิ่งจมอยู่ในความเศร้าเพื่อนมาชวนไปเที่ยวไม่ไปเพื่อตมาชคนหนึ่งนะเธอเล่าเมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยได้จดหมายจากจากเพื่อนชายซึ่งเธอมีใจให้แตเขาไม่ได้มีใจให้กับเธอแบบแบบ แ, แ, แฟนถ้าอ่านจดมา เ, ก, เก็เศร้าซึม ก็พอดีมีเพื่อนแก๊ ง, กงใหญ่เนี่ยมาที่บ้านมากดกริงแล้วก็ส่งเสียงบอกเวรเรียกชวนไปเที่ยวเพื่อนอมาเนี่ยที่คนนั้นเนี่ยพอได้ยินเสียงเพื่อนเรียกนะแกะฉุนเลยนะยึดในใจที่จะสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ยังมีคนมาขัดขวางอยู <c oughs> คือเวลาทุกข์เนี่ยมันอยายกจะมีความทุกข์เนี่ยใครมาขัดขวาง ใจนี่มันโง่นะกายนี่มันฉลากดวกว่าเยอะเลยนะมันลึกขึ้นะกายนี่นะมีความสามารถที่เนือใจอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งอาตรมางราเป็นความเก่งของกายนะเวลาเวลามีชื่อเราเข้ามาในร่างกายนะ เป็นชื้อโลกใหม่ๆที่กายไม่รู้จักนะระบบภูมิคุ้มกันร่างกายจะปล่อยให้มันเข้ามาแล้วก็เล่น ง, งานร่างกายอาวัยวะจนป่วยแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะถ้าลบตัวเดิมเข้ามาอีกเนี่ยจะเล่น ง, งานกายเนี่ยยากนะ เพราะว่าร่างกายมันจําได้ภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายมันจําได้ไอเชื้อตัวเนี้ยแสบแต่ก่อนนี่ไม่เคยเจอก็เลยปล่อยให้มันเข้ามาแต่หลัที่เจ็บป่วยมาครั้งหนึ่งนครั้งที่สองเนี่ยแต่ไม่พลาดแล้วเป็นหวัดเนี่ยเป็นได้ครั้งเดียวนะคนเรานะเป็นหวัดเราเป็นได้ครั้งเดียวครั้งที่สองเนี่ยถ้าหวัดตัวเดิมเข้ามาเนี่ยภูมิคุ้ม ก, กนันร่างกายเข้าไปเล่นงานแต่ที่เราเป็นหวัดปล่อยนะเพราะว่ามันมันเปลี่ยนตัวมันเปลี่ยนหน้ามา ใชเพราะว่ามันกลายพันธุ์ได้เร็วแต่โรคบางโรวเนี่ยมันกลายพันธุ์ใช้ยิ่งแค่ชลอ พ, พิษเนี่ยถ้าเป็นแล้วแล้วไม่ตายนะคุณจะไม่เป็นอีกเลยนะกลายมันจําได้ไอ้สิ่งที่เป็นอันตรายต่อมันเนี่ยแต่ใจนี่นะคนเราเนี่ยคุณโกรธเนี่ยในชีวิตนี้ในผ่านมาชีวิตนี้โกรธมาดีครั้งแล้วหลายครั้งไม่ถทวนนะเป็นหมื่นเป็นแสนนะ ไอ้ทำไมนะยิ่งกลัวบ่อยๆนะมันน่าจะจําได้ใช่ไหมใช่ไหมคุณน่าจะจำได้ ไ, ไ, ไ, ดจจ ไ, อไอ้นี่ไอตัวโกรธนะคุณเจอมันสองสามวันคุณน่าจะจํามันได้นะแต่ถ้าคุณเจอมันเป็นพันครั้งคุณยังจํามันไม่ได้ปล่อยให้มันมาเล่งงนกับจิตใจแสดงว่าอะไรแส่มั่าโง่หรือความจาเสื่อมใช่ไหมไอ้ใจเป็นอย่างงี้นะสัตว์เนี่ยนะถ้ามันเจอคนเนะี่ย ครั้งสองครั้งเนี่ยมันจําได้นะไอ้ที่มันที่มันที่มันพลาดเนี่ยเพราะมันไม่เคยรู้จักคนตอนที่ชาวดาวดีเนี่ยไปกาะกลาปาโกสเนี่ยนะกเกาะกลาปาโกสที่มัยู่ทางทางทางอเมริกาใต้เนี่ยเป็นก่อนที่ไม่เป็นก่อนที่ไม่เคยมีมนุษย์ย่างกรายเข้าไปเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสายอะไรเป็นล้านปีไม่มีมนุษย์เข้าไปสิงโตไอ้ <laughs> สิงโตนะมาจิ้งจอกเนี่ยนะและสัตว์ทุกชนิดนั้นเนี่ยมันให้คนนีเข้าไปได้ หมาจริงๆมันสัญชาติระแวงภัยนะหมาป่าหมาป่าเพราะว่าชาดารวีนี่สามารถจะเดินไปข้างหลังมานแล้วเอาเอาอะไรตีหัวมันได้เลยมันให้คนเนี่ยเข้าใกล้เพราะมันรู้จักคนนะแต่ลหลังนี้แต่ที่พาริสที่อื่นเนี่ยหรือแั้แต่ในกรรมากรเนี่ยพอมันเจอคนบ่อยๆเนี่นะมันมีมันรู้แล้วคนอันตรายมันจะไม่ให้คนเข้าใกล้นะฮะนกก็ไม่ให้คนเข้าใกล้ แต่ใจเราเนี่ยแปลกนะมันก็โดนความโกรธนี่ได้งานไป่รู้กี่ครั้งอีกครั้งนะมันก็ยังให้ความโกรธนี่เข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยนะคนเราเนี่ยยิ่งโกรธหลายครั้งยิ่งน่าจะฉลาดและรู้ทันความโกรธใช่ไหมแต่ทําไมเราปล่อยความโกรธความเศร้าความความเกลียดมันได้งานใจเราไม่รู้อีกครั้งและยิ่งแก่ยิ่งโกรธง่ายนะยิ่งแก่ยิ่งเกลดง่าย ประสบการณ์เนี่ยมันน่าจะสอนเราให้ฉลาดขึ้นแต่ทำไมเรากลับโง่ลงกลับโง่ลงคุณเห็นไหมการกับใจมันมันต่างกันมากเลยนะเพราะเห็นนี้แหละนะเราต้องฝึกใจมากเลยนะคุณต้องฝึกใจให้ฉลาดเริ่มจากฝึกใจให้แบบอยู่นิ่งนะอย่าไปท่องเที่ยวมากนะฝึกได้การเจริญสติการทำสมาธิ แล้วคุณเจริญสติเป็นเนี่ยนอกจากจิตจะนิ่งได้เร็วนะมันจะรู้ทันอารมณ์มันจะรู้ทันภัยอันต ร, รายที่จะมาคร้องมับจิตใจผู้เจ้าเรียกเรียกผู้เจ้าว่าคนเราันมีอันตรายอยู่สองอย่างคืออันตรายที่เปิดเผยกับอันตรายที่ปกปิดอันตรายเปิดเผยก็เช่นไฟน้ำท่วมแผ่นดินไหวผู้ร้ายสัตว์ร้าย ส่วนอันตรายที่ปกติก็คือโรบกดหลงความปวดความเจยนความหลงตัวความทะยานความาความลืมตัวเราปล่อยให้สิ่งอันตรายนี้เข้ามาเล่น ง, งานจิตใ จ, จเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่ไม่ฉลาดเลยแต่ถ้าเรามีสตินะสติเนี่ยสติญญรรมันจะทำหน้าที่จดจำจดจำอารมณ์เหล่านี้เอาไว้ ร่างกายเรามีาระบบภูมิคุ้มกันที่จําเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาเล่นงานเราได้ใจเราก็มีสติที่จะจดจำอารมณ์และถ้าคุณมีสติรู้ทันอารมณ์บ่อยๆเนี่ยใช้สติมาดูอารมณ์บ่อยๆใช้สติมารับรู้อารมณ์บ่อยๆเนี่ยจิตมันจะจําได้มันจะจําอารมณ์ได้ได้ดีขึ้นและพออารมณ์โกรธเข้ามาเนี่ยมันจะส่งสัญญาณเตือนให้กับใจสติมันจะส่งสัญญาเตือนให้กับใจ แล้วใจเราก็จะระมัดระวังไม่ให้ความโกรธเข้ามาเล่นงานคนที่โกรธง่ายเพราะาสติเนี่ยนะอ่อนนะไม่สามารถจะรู้ทันหรือว่าจดจาอารมณ์ได้หน้าที่ของสติเนี่ยถ้าพูดในทางวิชาการเขาบอกว่าอมันจะมีลักษณะคือว่าทีรสัญญาคือการตดจําลักษณะอาการของอารมณ์ได้ เรามีความสามารถนี้ในใจแต่เราไม่ฝึกเลยเราได้แต่ได้แต่จดจําข้อมูลข่าวสารจดจําอว่าใครเป็นลูกหนี้เราแต่ว่าถ้าเจ้านี้ไม่ค่อยจําเท่าไหร่นะเราจดจํำว่าลูกหนี้นะยู่เมื่อไร่นะถึงเมื่อเราจ่ายเมื่อไรเราจําอะไรต่ออะไรได้เยอะแต่ไอสิ่งที่มันใกล้ตัวที่ผู้ะเจ้าลูกอันตรายที่ปกปิเนี่ยกลับจําไม่ได้แต่เราฝึกได้นะฮะฝึกการเจริญสติเนี่ยมันจะทําให้ จิตมันจําอารมณ์ได้แล้วสตินี้มีประโยชน์มากมายนะช่วยทําให้จิตที่ทําให้กายนี้ช่วยทําให้จิตใจนิ่งเวลาเราทําอะไรเราเจริญสติอยู่กับการเรามีสติอยู่กับการทํางานเนี่ยเช่นเดินมีสติอยู่กับการเดินนะถูฟันมีสติการถูฟันนะทาครัวมีสติยการทําครัวเนี่ยจิตมันจะนิ่งมากขึ้นจิตมันจะนิ่งนานขึ้น แล้วจะมีอารมณ์ใดที่จะมาดึงจิตไปให้เควหรือว่าจะมาจู่โจนทำร้ายใจเนี่ยสติก็จะทำเทาที่เตือนและไม่ปล่อยให้อารมณ์เราเนี่ยเข้ามาดึงใจงให้เควหรือว่ามาครอบงำจิตมีความมีความตรงข้ามกริยันของกายกับใจซึ่งคล้ายคลาดที่พูดมา กาเนี่ยถ้าให้ดางขิดนะมันไม่อยากแบกนะแล้วถ้าแบกเมื่อไหร่นรนะมันอยากจะรีบวางยิ่หงหินต่ๆเนี่ยมันวางทันทีเลยไม่ต้องหินก็ไดเก้าอีกนะ้ก็ได้ไงโต๊ะก็ได้นะมันวางทันทีเลยที่ไม่ต้องสั่งเพียงแค่เพียงแค่มนรู้สึกเมื่อยมันวางเลยใช่ไหมแต่ใจนี่นะ มันอยากแต่สิ่งที่มันทําได้ยากคือวางนะกายนี่นะการวางเป็นของง่ายนะสำหรับการวางสำหรับใจนะการวางเนี่ยนะใจนั้นการมันอยากจะวางมากเลยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้กระเป๋านะเดยกไปกระเป๋าแบรนด์เนมไม่อยากจะวางแต่ว่าถ้าเป็นของหนักมันวางบางทีแต่ใจเนี่ยมันอยากแต่แล้วบอกให้มันวางเนี่ยมันไม่ยอมวาง เวลาบอกว่าปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็จะบอกโอ้ทําได้ยากสอนยากจังเลยนะแล้วเมื่อพูดเนี้ยพูดยากไอ้พูดง่ายทํายากแล้วบอกให้ปล่อยวางไอ้ทนาไมมันยากนะไอ้ตอนนี้การวางเนี่ยทําไมการวางเป็นของยากสําหรับใจมันแปลกทั้งที่ไอ้ตอนที่แบกที่มันหนักนะแบกบเรื่องลูกแบกบเรื่องงานแบกบเรื่องภาระมันแปลกนะทําไมการวางเป็นเรื่องยากสําหรับใจ เวลาพระบอกว่าให้ปล่อยวางปล่อยวาง mm hmm. ก็ไม่ใช่พูดว่าพูดง่ายทํายากแนะนําอะไรที่มัง่ายกว่าที่จะไม่วะงอย่างเรื่องวางนะ mm hmm. แต่นี่ mm hmm. พ่าอย่างนี้แหละต้องฝึกตัวให้ใจปล่อยวางเราต้องสนใจให้วางและสตินี่ช่วยได้เหมือนกันนะสติมันช่วยทําให้ใจนี้วาง mm hmm. เวลาใจแบกอะไรเนี่ยนะแม้จะสิ่งสิ่งที่แบกจะเป็นนามธรรมนะ ใจไม่ได้แบกหินนะใจแบกินไม่ได้แตใจแบกลูกแบกหลานแบกงานการแบกภาระแบกความผิดพลาดในอดีตนะแบกปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตลงทั้งแบกหนี้ด้วยไอ้พวกนี้มันหนามาทนเพราะนะแต่มันหนักแล้วมันทุกข์ใช่ไหมใจมันก็ทุกข์นะแต่ทําไมมันยังแบกอยู่เพราะมันไม่รู้ตัว มันไม่รู้ตัวเมื่อคนที่เวลาไฟไหม้แล้วก็แตกตกใจแตกตืนนะแทนที่จะแบกแทนที่จะเอาอยฟฉนดเอาเพชริีกินแดงเอาเงินไปเอาปฏิเอาสมุดบัญชีอะไรไปเนี่ยกับแดกโองนะ่งเ <c oughs> คยได้ยินไะคนหนีไฟแล้วก็แบกโอ่งเนี่ยโอ่งน้ำสมัยนี้ไม่เคยมีแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยไอตอนที่วิ่งแบกนี่นะมันไม่มันไม่สุดหนักเลยนะ หรือถึงหนักก็ก็ยังวิ่งหนีต่ออยเพราะว่าความกลัวแต่พอห่างไกลจากกองไฟแล้วถึงค่อยรู้ตัวว่าอุยหนักวะ่ะตอนนั้นแหละถึงค่อยวางองค์ใช่ไหมเราวางองค์เพราะเรารู้ตัวเมื่อเรารู้ตัวแต่ถ้าไม่รู้ตัวเราจะแบกไปเรื่อยๆใจู่เหมือนกันนะที่เราแบกสารพัดเพราะเราไม่รู้ตัวและความไม่รู้ตัวเนี่ยเราเยกวไม่มีสติ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนพวกเราเนี่ย ใ, ให้เราให้ความสํำคัญกับเรื่องการฝึกสติเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ใจของเราเนี่ยมีนิสัยใหม่เป็นใจที่ไม่ทําร้ายตัวเองเป็นใจที่ไม่ทําร้ายเจ้าของเป็นใจที่จะช่วยทําให้มีอายุยืนมีสุขภาพดีคือใจที่รู้จักนิ่งนะแทนที่จะ ท่อเที่ยวสารพัดแล้วไปหยิบเอาอะไรมาก็ไม่รู้หรือไม่ก็วิ่งไปวิ่งมาจนกรทั่งเหนื่อยล้าแต่หยุดไม่ได้ฝึกใจใหรืออย่างนิ่งฝึกใจให้รู้ทันอารมณ์จดจําอารมณ์ต่างๆได้ไวซึ่งจะช่วยทําให้ปล่อยวางได้เร็วเนะจริญสติอย่างไรนะก็เจริญสติง่า ย, ายๆนะโดยการที่ฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบัน หลักของการเจริญเสื่อง่ายๆตัว ต, ว ต, วตวอยู่ในใจยอยู่นั่นนะกินข้าวใจก็ยอยู่การกินข้าวอาบน้ําใจก็อยู่การอาบน้ํำล้างจานใจก็ยอยู่การล้างจานแต่สมัยนี้มันมีความคิดนะที่ทําให้จิตใจเราแย่ลงนะั่นคือการคิดว่าทําหลายด้ทอย่างพร้อมกันเวลาตอนนี้เป็นของมีค่าเพราะนั่นเนี่ยต้องทําหลรไดอย่างพร้อมกันกินข้าวไปด้วยก็ เต่นไลายไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยหรือว่ารีบผ้าก็ตาก็ดูโทรทัศน์หูก็ฟังเพลงปากก็คุยโทรศัพท์นะเราคิดว่าเออแบบนี้ดีเป็นการใช้เวลาอยู่ประสิทธิภาพนะแต่ที่จริงนะมันทำให้ใจนี้นะแย่หลงใจเนี่ยแต่มีเสียงเลยถึงเวลาจะนอนก็นอนไม่หลับเพราะว่าใจไม่มีสติไม่มีสมาธิ แล้วเป็นคนเครียดง่ายวางอะไรไม่เคยเป็นแล้วพอแก่ตัวลงไปนะไอ้ความคิดต่างๆปรุ ง, ตงแต่งมาเป็นนายเราอย่างชัดเจนเลยคนแก่หลายคนเน่นอนไม่เป็นอนไม่หลับประสับกระสายยิ่งไม่มีงานทำลูกหลานไม่มีลูกหลานไปอยู่ที่อื่นอยู่คนเดียวโอโหนะ ถ้าได้มีกินมีใช้นะแต่ว่าข้างในเนี่ยในใจเนในหัวเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้เพราะว่าใจที่ถูกสปอยใจที่ถูกสปอยเนี่ยถูกตามใจมันกลับ ม, มาเล่น ง, งานเราเมื่อกล่าย์เนี่ยกายที่มันถูกสปอยนะมันกลับ ม, มาเล่น ง, งานเราทําให้เชื้อเชื้อโรคภยัยไข้เจ็บต่างเข้ามาเราจะไปตามใจกายและใจเนี่ยอย่างที่เคยทําไม่ได้นะไปทําให้เรา ตคุณภาพชีวิตเราแย่ลงและตายเร็วขึ้นไม่ว่าตายเพราะโรคที่เกิดจากโรคอ้วนหรือตายเพราะไอความเพื่อความกังวลที่เกิดจากการที่ปล่อยใจมันไม่สายนะที่เราต้องกลับมาฝึกจิตฝึกใจะอย่าปล่อยกายปล่อยใจไปตามธรรมชาติอย่างที่ว่ามันจะเป็นการทําร้ายตัวเองไอที่บอกว่ารักตัวเองรักตัวเองส่วนใหญ่ไม่ได้รักตัวเองนะทําร้ายตัวเองอย่าหลักผ่อนส่ง ก็พอสมมุติเดวเวลาแล้วครับก็ขอหยุติดป็นเท่า น, นี้